ถือวาขาดจากความเป็ิกษุไปเลยถ้าได้บอกแล้วไปทำผิ ด, ผดก็ไม่ใช่ความผิดของเราได้บอกแล้วความผิดอยู่ที่ผู้ทำผิดเองเราก็ไม่บกคร่องเหมือ น, นกับว่าถ้าค น, คนถ้าใครหล ง, หลงเราเคยบอกแล้วว่า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 สองพันห้าร้อยเก้าสิบปีใช่ไหมนับสองพัน้ารอยห้าสิบสามบวกเข้าไปอีกสี่สิบห้าโนดถือว่าในโลกนี้มีคนที่ไ well, ด้พูดไว้แล้ว แต่เราเกิดมารุกเนี่ยยังไม่ได้ยินแล้วไม่มาทำดูก็ก็น่าเสียดายเนือเกิดสมัยหนึ่งก็มีญาติกันเป็นหลานหลานถูกรถสิบโลชนแหลกไปเลยทั้งคนทั้งรถผมเมาเราก็ได้ทราบแสมายนั้นเราไปอยู่ป่าช้า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 ให้เป็ น, ห เ, ปนเหมือนกับการที่เป็นหมอรู้สมุทฐานของโลกให้ยาเข้าถึงเชื่อโลกถ้ า, าความหลงเป็นเชื้อโลกความรู้สึกตัวนี่เป็นยาเป็นโอสถ ร, รักษาได้เด็ดขาด อันโรคที่เกิดกับหลาาร่างกายของเราเนี่ยบางทีก็รักษาได้บางทีก็รักษาไม่ได้แต่โรคอันที่เกิดกับชีวิตจิตใจเนี่ยมันรักษาได้เพ้นอากุศลเจอความไม่ดีทั้งหลายรักษาได้กุศลความดีทั้งหลายทำได้ตยวนี้นี่มันน่าเสียใจมากปาผู้คนในโลกเนี่ยทำไม่ไปทะเลาะกัน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 ขี้โมไปฆ่าเชื่อโลกในตับใช่ไหมคุณหมอ <laughs> อันนั้นต้องมีประตูหนึง่มมมมงมีอะไรมีหมอมีที่เตียงไม่อะไรเลยนอนอยู่ห้องโอชิยูนะ่ะอันนี้มาอยู่กับเราแท้ๆเนยนะนะเห็นหลงเราก็เห็นนไม่หลงเราก็ทำได้แถวนี้เนยเลยเหมือนหน้ามือหลั ง, งเงอะไเนี่ยเราปฏิบัตทิทง เนี่ยก็ให้กระตือเริ่้นสักหน่อยถ้ามีหลงแล้วก็เอาเลยละเอีบเห็นสมุทฐานสมุททโยสุขขังสมุททะอเียสัจจังปฏิตะมีพิกเปอีมีสุสัจเ ต, ส, ตสุขเข้าไปเลยได้ทำแล้วบ่เหตุใดเกิดความทุกข์ได้แก้แล้วทำแล้วทำเป็นแล้ว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 แก้งมักเจริญไทมากลูกให้มากขยันลูกมากจ2 1สองสิบสี่ลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหลูกเจ็ดลูกแปดลูกเ้าลูกสิบลูกสิบเ็ดลูสิบสองลูกสิบสามลูกสิบสี่มีหนาที่ลูกทีหนึ่งนะงายเรียกว่าอาริมัต จะเลินได้มา ก, ม, ก, กมากคืนอวยมากเนี่ยตำราที่ไหมอยู่เนี่ยกายเป็นตำราใจเราเป็นตำราต่ไปขอจากใครมาถามใครก็ไม่ได้หลงก็หลงเองอาจารย์นุินหนูหลงไหมไม่มีคำตอบอาจารย์นุชินก็บอกว่าไม่หลงไม่มีคำตอบตัวเราต้องตอบเองรู้เอง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 ลมพัดภูเขาทิลระแทงเทึบเหมือนขึ้นซัดฝั่งมหาสมุทรนั่นก็จบลงได้ง่ายๆนี่เราจึงผู้ปฏิบัติผู้ฝึกตนดีเหมือนภูเขาศีลระแทงเทึบไม่เตือนผู้ฝึกตนดีนินทาสันเฉินไม่หวั่นไหวเพราะเรา เราฝึกไปดีแล้วทำเป็นแล้วล <c oughs> มันหลงมันหลงไม่หลงอะไรต่างๆเปลี่ยนเป็นแล้วทำเป็นแล้วทำได้แล้ ว, ลวมันก็เราจะยกมือไหว้ตัวเองถ้าเรายกไหว้ตัวเองเขาเดืนไหวเขาไ ม, ไไม่ไม่กินแหนงแขงชายไหว้อะไรไหว้คุณธรรมไม่ใช่ไหว้รูปไหว้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 งูโถงทั้งหลายที่ฝังก็มีความกระตือรือร้นกันมาให้มีหวังให้พระพุทธเจ้าได้อาศัยคล้ายๆว่าอย่างนั้นแหะทุกเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องอะไรคนที่มีสินไม่ทำละอาศัยกันได้อาศัยได้ได้ปฏิบัติ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 จนเจ้าหน้าปะวะัวอยู่กับตัวตูวท่าทาหน้าตาก็หายเจีเขา้ารู้จึกหายอยู่เดี๋ยวนี้ตั้งต้นวินาทีนีแล้วชั่ววินาทีนี้ทาดีวินาทีนี้พร้อมหรือ ย, อยังพร้อมจะหม่มนุ่งผ้ากาสวตดหรือยังหร้อมแล้วเอาผ้าให้ไปห่มนี่คือตั้งต้นวินาทีนี้ยิ่งเรามีวิชากรรมฐาน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 เ, เมื่อเราเดินอยู่นานๆมันอาจจะพลาดได้เปลี่ยนบ้างนั่งนานๆอาจจะพลาดได้เปลี่ยนบ้างสร้างจังหวะนานๆอาจจะพลาดได้เปลี่ยนท่าใหม่บ้างมีเยอะแยะวัตถุปกรณ์ในกายของได้ใจของเราเอามาเอามาเอามาใช้ได้หายใจพิบตากลืนน้ำลายกระดิกนิ้วหยากหยาบไปหาละเอียด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 เกิดความโมงหนอนเกิดควาเครียดวางใหม่เล่นวักสักนอยออกฉากสัหน่อยเหมือนนักมวยที่เขาจะชกกันออกฉากถ้าไม่มีฉากก็ไม่ไม่มีไม่มีวิชาที่จะออกไม่ต่อสู้กันออกฉากลุกฉากเต้นฉากถ้าไหนอย่างไร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 จนแขงงินแขงทงองขึ้นไม่ได้หลับสักหน่อยเราจะพักผ่อนสักหน่อยเพื่อโอแรงเปลี่ยนฉากใหม่จะเงีบสักหน่อยเพื่อโอแรงยังมีนะขอเงีบสักหน่อยมันเหนื่อยกันไป น, นอก น, นก็ทํานลยขอหยีบสักหน่อยแล้วเอ็นหัวลงขณะที่เอ็นหัวลงยังไม่ถึงหมอนเนี่ย บรรลุธรรมเลยจะว่ายังไงมีรูปแบบไหนพระอา น, อ น, นุ์บรรลุธรรมไอ้รูปแบบใดไม่มีรูปแบบเลยถ้าเจะว่านูเนี่ยถ้านอนก็ไม่ใช่เช้าอยู่เนี่านั่งก็ไม่ใช่แอบบลังเอ็นลงนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนาทีนะั้นเพราะฉะนั้นนะกรรมฐานไม่ใช่จะอยู่ในรูปแบบเสมอไปนอกรูปแบบก็ใช้ได้บางทีอย่าประมาทนะบางทีก็พลาดสะก็มี ถ้าเราติดตามดดีมันใช่ได้นะวิชากรรมฐานไม่ใช่รูปแบบทั่วไปสติก็มีในรูปแบบเราถ้าใช่นอกรูปแบบเป็นนอะไรจะชำนิชำนานที่ว่าเรียกว่าเสเสเหมือนเล่นดนตรีนะถ้าไปตามโนต้ตนี่ไม่เพะนะใช่ไหมให้เป็นดนตรีใช่ไหมต้องแก้กไปสักหน่อยนะใช่ไหมแงีย้ยสักหน่อย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 อารมต่างๆรับรับดูหยอกโลกอารมที่เก่กๆเราหนูมันจะเป็นยังไงเหมือนเอางูพิษมาหยอกโลกแต่ไม่หนึ่งยานสุทธิจับงูจงอางได้เอามาหยอกโลกบางคนก็ชกงชกงยกับงูจงอางงูจงอางสวงตัวสองตัว ไอ้คนคนเดียวชกตัวหลังชกตัวหนึ่งูตารงูจางางก็ชกเอาก็หลบหน้าหลบหลังยอกลอ้อมงูมันกลัวคนมันชกที่ใดก็ไม่ถูกถ ก, ก็โดดลงใบทีไปคนก็ตามไปดึงมันขึ้นมาชกกันอีกกรรมการตัดสินงูตงอางยอมแพ้บิกลงใบทีสองข้าวสามก้างยกเงือเชียให้คนชนะเลยนี่เขาหยากอกร้อม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 ภิกษุผู้ที่มีอาลมณ์หันไว้ตอนนั้นพระเจ้าจึงให้เอานางคนเนี้ยไปทิ้งป่าชา้าโด ย, โดยปัจจุบันเบืบ้อทั้งหมดเลยภิกษุห้งลูกพระเจ้าก็บอกว่าพวกเธอเดินไปทางนี้ลองดูภิกษุไปเห็นหนางงามคนนี้โนวนเพื่อกายยงตายจดตด เกิดอะไรขึ้นนี่พิจูตทั้งหลายพิจุบางลูกไม่วันว่นไหวพิบังลูกเกิดความหมดหวั่นรู้สึกว่าตัวยังเป็น่โอ้ไม่ได้กลับเข้ากลัรรมฐานอีกเดี๋นี้เคยมีเพื่อนนาปรับทุกข์ให้ฟังอาจารย์ผมปฏิบัติธรรมมา10ปี20 ป, ปีมันทำไมจึงเป็นอย่างนี้อีก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 มันไม่รู้เลยนะมันซึ้ อ, อไม่รู้เลยนะนั่งอยู่ก็ไม่มีอะไรเนดะินอยู่ก็ไม่มีอะไร น, ะ อ, ไไรนอนอยู่ก็ไม่มีอะไรมันซึ้๊มันเป็นไงก็บอกว่าให้ลำดับมารมลองลงเป็นเห็นกองรูปสึกตัวเห็นรูปเห็นนามรูปทำนามทำหลังเจ้ารูปมามันทำดีมันทำชั่วรูปนี้